พระธรรมเทศนาแผ่นที่68ดลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25ทธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าอยู่ศึกษากับท่านก็ต้องทาตามท่าน วันนี้เป็นวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2557เมื่อวานคณะโรงพยาบาลชุมแพเข้ามากราบหลวงพ่อกราบขอบคุณง้นนะว่าหลวงพ่อได้ไปเป็นประธานฝ่ายสง์หาทุนให้กับโรงพยาบาล เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และก็ห้องของโรงพยาบาลห้องต่อเติมห้องที่สร้างโรงพยาบาลขึ้นมาแล้วห้องยังไม่ได้ตกแต่งเรียกว่าห้องละ20ง0สนสแส น, สแสนก็พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจไปวันนั้นเขามารายงานเมื่อวานนี้ว่าได้จะถุกปัจจัย ทั้งหมด8ดล้านกว่ารวมทั้งเครื่องมือแพทย์ด้วยแล้วก็จองห้องด้วยแล้วก็เครื่องมือของหลวงพ่อที่ให้ไปล้านหแสนด้วยรวมกันแล้วปาดแปดล้านตน้ตนต้น8ดล้านกว่าตน้ตนต้นหลวงพ่อได้ยินก็เออ เศรษฐกิจในช่วงนี้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้ก็นับว่าผีน้องประชาชนให้ความสนใจ <c oughs> ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลชุมแพอาเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นก็นับว่าจะให้เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับแพทย์สำหรับหมอสำหรับพยาบาล ตามไม่จริงก็ไม่ใช่ให้ใครอื่นให้พวกเรานั่นแหละให้พี่น้องประชาชนนั่นแหะถ้าหากว่าไม่หม อ, อพยาบาลโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพไม่มีเครื่องมื อ, อพวกเราก็เข้าไปหาแล้วก็จะทำยังไงเพียงแต่ตรวจตรวจไม่รู้ว่าอะไรถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยพวกเราก็อุ่นใจในการเข้าไปหา แพทย์หาหมอพระรัหลงพ่อจึงให้ความสำคัญให้ความสำคัญเขานี่ก็ไม่ใช่แหกความสำคัญกับตนเองนะตรงเองเนะี่ยไม่ปราถนายจะไปโรงพยาบาลมีแต่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับการรักษาให้ถูกต้องให้มีศั ก, กยภาพใ ห, ให้หายจากโรคาพยาติตามอัตภาพ แต่ก็แผทหมอทั้งหลายติดหลวงพ่อเข้าไปเกี่ยวข้องก็รู้สึกว่าให้ความอบอุ่นกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าและก็พร้อมกันก่อนหลวงพ่อลงกรุงเทพเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยไปฉันอยู่ที่ศูนย์การค้าอุดรทั้งเจ้าของก็เจ้าของศูนย์การค้าและพี่น้องประชาชนก็ให้ความ อบอุ่นแล้วก็ได้มอบปัจจัยถวายโรงพยาบาลสงอาพาธถวายหลวงพ่อหนะลวงพ่อก็ได้มอบให้กับมูลนิธิไปแล้วละ่ะอันนั้นก็ได้ห้าแสนกว่านะอันนั้นก็โอ้รู้สึกว่าดีสําหรับดูแลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นบุญเป็นกุศลของพี่น้องประชาชนแล้วก็พระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้ เข้าไปหาหมอหมอก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีกําลังที่จะช่วยเหลือพระสงฆ์ได้นี่นะสรุปแล้วก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยก็ต้องอาศัยผู้ที่จนผู้มีกําลังน้อยกว่าก็ต้องอาศัยผู้มีกําลังที่เหนือกว่ากําลังมากกว่า ภูมิมีกําลังมากกว่าไม่ให้ความเมตตาไม่ให้ความเออเฟื้อเ อ, อื้ออาลีต่อผู้ด้อยกว่าดูดูแล้วก็แล้วโลกประเทศชาติจะอยู่ด้วยการร่มเย็นเป็นจุกได้ยอย่างไรสรุปแล้วเหมือนกับฝูงวัวฝูงวัวที่มันว่ายน้ําที่น้ำไหลเชี่ยว แม่บัวหรือจ่าฝูงต้องเป็นที่พึ่งของวัวตัวเล็กๆวัวตัวเล็กก็พยายามเกาะเกาะแม่เกาะจ่าฝูงไปแม่ก็ต้องให้ความคุ้มครองแม่ลูกวัวกว่า น, นั้นอาศัยไปกับนั่นถ้ามันพัดไปท่านีน่ลูกวัวมันรู้จะไปที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเพรานั้นแม่วัวหรือจ่าฝูงก็ต้อง ปกป้องวัวที่กำลังน้อยกว่าด้อยกว่ามนุษยชาติของเราผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วนะก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้น ผ, ผู้มีกำลังกว่าแลก็ให้ความเ อ, อืเ้ อ, อเฟื้อหรือให้ความออช่วยเหลือต่อผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าแต่ท้งนี้ทางนั้นเหมือนกับผู้ลงพ่อมีกำลังมากกว่าไม่ใช่นะ หลวงพ่อก็อาศัยพี่น้องประชาชนเหมือนกันใครถวายมาคนละมากคนละน้อยหลวงพ่อก็เก็บพอ เ, เก็บแล้วก็ต้องมองดูชุมชนเหมือนกันมองดูพี่น้องประชาชนเหมือนกันไม่ได้เก็บเข้ามาแล้วก็เอามาใช้ เ, เก็บไว้ใช้มาสร้างวัดโดยที่ไม่มองใครเลยหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะอย่างที่ให้ให้ไปอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนะ อันนี้ก็คือวัดวาศาสนาและก็พร้อมกันหลวงพ่อเองอยากจะเตือนย้ำผู้ที่เขามาเกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดของหลวงพ่ อ, อ, อทุกท่านจะเป็นพระก็าตามจะเป็นศรัทธาญาติโยมก็าตามในวัดของเราเรายึดแนวแถวปฏิปทาหรือยึดแนวแถวของหลวงปู่มั่น ยึดแนวแถวองหลวงตามหาบัวในการปฏิบัติด้ว่ายึดแนวแถวของหลวงปู่มั่นแนะนำสั่งสอนสิทธิญาณุสิทธิในสายของท่านเพราะว่าทุกวันนี้มีมากหลากหลายพระสื่อต่างๆก็แนะนำสั่งสอนเสี่ยมสอน มีหลายแนวผู้ที่เข้ามาศึกษาในวัดของหลวงพ่อเนี่ยบางทีอาจจะได้รับคําแนะนํำภายในวัดของหลวงพ่อเนี่ยอาจจะได้รับคํำมาจากสํานักอื่นหรือวันหนังสือหนังสือเล่มอื่นหรือซีดีแผ่นอื่นนอกจากวัดของเรา นอกจากแนวแถวหลวงปู่มั่นหรือปฏิปทาของหลวงตามหาบัวให้พวกเราสังเกตพูดอย่างนั้นได้ให้พวกเราท่านทั้งหลายสังเกตถ้าเป็นองค์ใดก็าตามอยู่ในวัดของเราเนี่ยแนะนําสั่งสอนออกนอกลู่นอกทางไม่ไปตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นไม่ไปตามปฏิปทาขององค์หลวงตาให้บอกหลวงพ่อ หลวงพ่อจะให้ออกจากนอกออกนอกวัดไม่ให้อยู่ในวัดนี้เพราะวัดนี้สอนแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นสอนแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทางไหนรับทราบเอาไว้จะเป็นใครก็ตามถ้าห่างว่าสอนออกนอกลูก่นอกทางแล้วออกจากวัดนี้อย่ามาอยู่อยู่ทำไม เพราะว่าเราไม่ได้สอนแนวปฏิปทาของสายอื่นแต่สายอื่นถ้าท่านอชอบสายอื่นท่านก็ไปอยู่ที่อื่นอย่ามาอยู่วัดนี้วัดนี้ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามท่านไม่ให้ออกไปท่านออกไปได้แต่ถ้าว่าท่านมาอยู่วัดนี้ต้องศึกษาแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นท่านสนอนยังไงเสียงให้รักษายัางไงการเป็นอยู่ ด้วยน้ําจิตน้ําใจท่านสอนอย่างไรมีครบในบริบูรณ์ในปฏิปทาของวงหลวงตาที่ท่านสอนเอาไว้หรือครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นตั้งแต่หลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆให้เราศึกษาให้ยึดตามแนวแถวสายนี้ไม่ใช่ว่าจะแหวกแนวสายนั้นแวกแซลใ น, นสายนีน้เอาเรื่องนั้นมาปฏิบัติเอาเรื่องนั้นมาเออ แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวกันสับสนวุ่นวายไปหมดไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าองค์ไหนเป็นอย่างนั้นบอกมาหลวงพ่อจะให้ไล่หนีออกจากวัดให้ไปอยู่วัดอื่นถ้าหากว่าอยู่ในวัดนี้ต้องปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นสมถะทำอย่างไงเดินอย่างกลมทำอย่างไงหลวงพ่อสอนแล้วสอนอีกพิธีการเดินอย่างกลมทำอย่างไงตามแนวแถวของหลวงปู่มั่น ตามแนวแถวของหลวงตามหาบัวออการสมรัทะสมัทะวิธีการเดินสมัทะคือแนวทางเบื้องต้นทำอย่างไรกำหนดอะไรวิธีการภาวนาให้เดินตามแนวแถวนั้นแล้ววิธีเดินวิปัสสนาเดินอย่างไรเดินวิปัสสนาตามแนวแถวขององค์หลวงตาตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น แต่ท่านก็ไม่ใช่เป็นแนวแถวเดียวกันแต่ก็เป็นในลักษณะเดียวกันคล้ายคล้ายกันแต่วิธีการเดินมักวิเดินวิธีเดินวิปัสสนาแต่ถึงอย่างไงก็ตามถ้าหาว่าเป็นสายอื่นขึ้นมาเพ่งอย่างนั้นกำหนดอย่างนี้เป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้มันมีหลายหลายแนวทางถ้าหาว่าใครเป็นอย่างนั้นนั่นแหลให้พวกท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกับผม บอกมานะพวกท่านไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวเดี๋ยวเผิอเป็นบ้าออกมาแล้วเกิดวิปัชนูอุปกิเลสเป็นบ้าเป็นบอออกมาแล้วนะ่ะยังค่อยมาพูดมันไม่เกิดประโยชน์ถ้ามพูดอย่างนั้นผมจะไล่นี้กระทั่งองค์ที่มาพูดให้ฟังอีกออทําไมรู้มาแต่ก่อนทําไมไม่พูดให้ฟัง เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพระเนรพระทุกองค์นะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะใครก็ตาม ที่อยู่ในวัดของของของเราของหลวงพ่อเนี่ยต้องปฏิบัติตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นกลางคืนเราได้ฟังไหมธรรมเทศนาขององค์ลุงตาที่ท่านเทศตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีห้าทุกวันล้วนแล้วจะเป็นอัดเป็นธรรมล้วนแล้วจะเป็นสมาธิปัญญาทั้งนั้นเมื่อแต่เรื่องจะต่อย กิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจทั้งนั้นพวกเราจะไปเสือกไปหาศึกษาไปสายไหนอีกถ้าอยากจะเสือกเอออกไปอย่าไปอยู่มาอยู่ที่วัดของเราฟังไว้นะให้ฟังไว้ให้ถึงใจหลวงพ่อเตือนนะอแหลวงพ่อเตือนเตือนให้ฟังเพราะบางครั้งก็ได้ยินออกมาอพอได้ยินออกมาหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็เฉยเฉยนะ เออแต่เฉยเฉยแต่ไม่ไม่เฉยไม่เฉยเฉยข้างนอกนะแต่ในใจคิดเออมันอยู่ทําไมมาอยู่เพื่ออะไรเออมาอยู่ที่หนึ่งแล้วไปศึกษาที่หนึ่งทําไมไปไปศึกษาอยู่ที่ตรงเองตัวเองชอบเพอเพ อ, เพอแล้วจะมาตําหนิครูบาอาจารย์ตําหนิหมู่พวกเพื่อนอีกกันแนกกระแนยอย่างนู้นกระแนะแนอย่างนี้อีก ย, อยู่เพื่ออะไรมันอยู่เพื่อขวางใช่ไหมเออไม่ไม่ใช่อยู่เพื่อศึกษาใช่ไหมอยู่เพื่อเพื่อเป็นปฏิบักษ์แค่ไหม เออมาเก็บเอาผิดเอาถูกใช่ไหมเออเราะจะมาดูถูกเจ็ดย่มสายพ่อแม่กูบายจา์ของเราอีกใช่ไหมอยู่เพื่ออะไรอให้พวกท่านทั้งหลายถามนะเอาตอนนี้ไปรับพร